เธอว่าฉันมองไม่ออกดรืว่าจริงๆแล้วเธอน้าชอบใครที่มันชัดเจนขึ้นไม่ใช่ฉันไงแค่ดูใ ก, กลๆ ก, ก็รู้ ว่าฉันจะทนไว้แต่จิตใจของฉันที่แข็งดังอ่อนแอทุกทีที่เขาใกล้เธอดูเหมือนเธอรับทนไม่ไหวขอไม่ต้องโทรมาคอยบอกังดีไม่ต้องคอยไปรับไปทรงกดท้าบทรงตรงจะให้ความหวังธรร ชอบเขาก็คอให้เธอไปกับเขาได้ไหมถ้าจะไม่มีใจเธอก็ไปสักทีอยู่จะมีกัน ไมันสนุกร่าไงอย่าเล่นกับหัวใจเธอรู้ตัวบ้างไหมว่าใครตรงนี้มันหวั่นไหวอยู่ดีไหมก็ถ้าสุดท้ายจะเลิกเขาเธอได้ลองทําใจตัวเองบ้างด กับเขาได้ไหมถ้าเธอไม่มีใจเธอก็ไปสักทีหยุดทำดีให้กันเธอขอที่เธอเลือกเขาเลยได้ไหมอยู่กับเขาเธอเป็นอีกคนฉันคงทนไม่ กับเขาได้ กับเขาได้